ก็เพราะเขาไม่เห็นไม่เป็นอย่างนี้แต่เขาเห็นเขาเป็นเขาเย็นเขาสงบอย่างนี้เขาไม่มีวันที่จะเสื่จะเพลินจะรุ่มจะหลงเพราะความสุขอันนี้เป็นสุขที่ดีสุขที่วิเศษจะทับใจในสู่เห็นถูกเป็นมี่คือการจะทําบําเพ็ญการฝึกภาวนากําหนดลมหายใจก็ได้กําหนดบทพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะกําหนดตายตายก็ได้แล้วแต่ จนหลีกนสัยของใครชอบกรรมฐานบบใดอย่างไรนํามากําหนดถูกใจให้มั่นอย่าให้มันไปคิดไปปรงเรื่องอดีตอนาคตข้างหน้าข้างหลังอะไรให้มันอยู่ในบทบริกรรมของตัวถึงมันยังไม่ลงไม่รวมให้ก็ให้มันอยู่นั้นอย่าให้มันไปยกผ่องกับสัญญาลมอื่น ถ้ารักษาระวังได้อย่างนี้จิตที่มันเคยสายแสประธ า, า, านสมวมต่างๆหมดผูกมันม่นรักษาจิตประตูเอาไว้นะเห็นไหออกไปที่ไหนมันจะมีวันมีเวลาสงบให้มีการรักษาจิตรักษาใจพวกเรามองข้ามไม่ค่อยจะเอาใจใส่บำบวงใจเรื่องของกายกลัวมันตายกลัว ม, มันเหนื่ยมันหิ่ง แต่จิตใจไม่มีอัตนีธรรมไม่มีอะไรที่จะอยู่จะจิมไม่ดูแลรักษาจิตใจจึงว้าวอจึงวิ่งวุ่นไปตามทัญญารมต่างๆถ้าจิตมีอัตนีธรรมมีที่อยู่ที่ชิมแล้วมันไม่วิ่งวุ่นอย่างนั้นมันสุขมันสงบมันสบายมีอุบายวิ ธ, ธีที่จะฝึกจิตอบรมใจท่องจนใครจะฝึกวิ ธ, ธีใดก็ฝึกไป เือหายใจมันสงบใจมันลงมันรวมเพียงความสงบของใจเสื่อระยะจะเป็นคณิกะก่ตามอุปจละก่อตามนิออปปนาก่ตามนั่นก็ดจากเห็นจักเป็นในตัวของตัวใส่ใจในตัวของตัวเห็นความสุขความสบาย คามเผเสดีเศดในการสงบของกิตเลศมันก็มีศรัทธาเชื่อมัน่นอยากจะประพฤติปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนให้มันหมดมันสิ้นไปเพราะที่ยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนไม่ใช่อื่นเพราะกิตเลศลบความใจถ้าจิตเรศในลบความใจจิตเรศมันสงบลงใจใจมันถูกมันสบายอย่างเราเห็นเราเป็น ในการจะทำบำเพ็ญเราจึงเชื่อมั่นอยากจะทำอยากจะบำเพ็ญอยากจะเห็นอยากจะรู้ในต่อบังคับบัญชาให้มันภาวนาให้มันละมันถอนจิเลตให้มันมีความผาคความเพียนมันก็เป็นไปเองเพราะเหตุใดเพราะมันเห็นความสุขความสบายของใจคือมันสงบเยยีมแล้วถึงจะเหนื่อยมไม่เป็นในคราวนี้ ต่อข้าวกที่มันเห็นมันเป็นทครเล่าเอามาให้เรามันเกิดจากการฝึกการปฏิบัติของเราไม่ใช่คนอื่นก็ยกยอมาให้แต่เมื่อเราฝึกแเราปฏิบัติจริงจังลงไปมันจะไม่เป็นไม่เห็นให้มันจะมีหรือมันจะต้องเป็นต้องเห็นในวันใดแตวันหนึ่งข้อสำคัญอย่าไปขาดหมายเหนื่อยเวลา มันสุกมันสบายมันสงบในเทานั้นเท่านี่เมื่อไรมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเมื่อไรไปคิดออกไปข้างนอกไปไหนเอาความสุขความสบายแต่แก้อดีตมาไว้ในปัจจุบันมันไม่สุขไม่สบายให้น่าขี่ควนก้าหนดอย่างไรควนจิตนี้พิจารณาอย่างไรเป็นหน้าขี่ของเราจะกำเนิดจะรักษามนอย่างนั้นคิดจะรวม เป็นสมาธิให้นี่คือการฝึกสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิการที่นิจเจนาเผื่อวิปัสสนาเผื่อละเผื่อถอนกิเลศมันมีกําลังกลาเหมือนมีดท่าที่เรารับคมแล้วตัดอะไรนั่นก็ขาดเพราะมันคมนี่แต่ใช่ไหมเด็รับสักทีจะไปสันอะไรมันก็ไม่เข้าเพราะมันพุ่มมันพูด มันไม่คมให้การฝึกสมาธิจึงเป็นเรืเ่องสําคัญเมื่อมีสมาธิอย่าไปติดต่เพียงสมาธิว่ามันสุกมันสงบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากพิจารณาเพราะถูกอารมณ์สัญญานี้นิดหน่อย<ๆ>ก็จะเข้าไปสงบไประ ง, งับอยู่นั้นในสมาธิหัวต่อในเกิดปัญญาอะไรให้จะทบอะไรก็ไม่ได้คอยแต่จะเข้าไปหลบอยู่ในที่สงบ แต่เ่อรลบไม่ได้คราวนั้นล่ะมันจะเดือดร้อนวุ่นวายท่านจริงว่าใหามมาา้มีสมาธิาแล้วมีสมาธิแล้วให้พิจารณาด้วยมีปรัสนาต่างๆพิจารณาถาดขันของตัวให้เถื่องให้ถึงเพราะมันหลงถาดขันยึดว่าเราว่าเ ข, า ว, ขวาว่าคนว่าสัตว์มันหลงในนี้ จริงพิจาวนาคือท้ายจริงเหล่านี้ตามเป็นจริงเท่งนั้นให้ทราบเดิงท้งขาดท้องขันว่ามันเป็นอะไรกันแน่ศาตร์อยู่ได้ที่ไหนบุคคลอยู่ที่ดทใดท่านใดไปยึดไปถือการเสวียน ง, งานอยู่ที่ไหนทั้งหรักข้อนอันนี้มีแต่ขี้เต็มเตล่ไม่ใช่หรือเดินที่ศาสตร์เป็นที่ขีาสาขี้หัวโคตสเรียกในตาเป็ขี้ตา ในจมูกกว่าขี้จมูกในหูกว่ามีแต่ขี้ทั้งนั้นทั้งเสื้อมแต่ขี้มันมีอะไรหยิบอะไรดีอะไรเสืออะไรงามระดูกโมเหมือนกันในใส่ของสวยของงามระดูกคนาขายก็มีคุณค่าเมื่อหนังจะทำเงินเยอะกันในนี้ใครนิยมเอาไปทอดไปผักไปต่๋นไปแกงที่ไหน นี่แต่เบือ่อนายเกลียบข้างกันถ้ามันเหน่ า, ามันเกลี่ยออกไปตั ว, วยังไม่ตายแต่มันเกลี่ยออกไปเพียงหน้าขี้ยื่อ ข, ขี้คึ้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นแขนเป็นขาเป็นแขนเป็นตัวนั่นแหละเบื่อหน้าหนายหน้าเกลียบในวิธีชอบ ถยินดีเนื้อหนังมันยังหุ่นอยู่ทําไมไหนดูเทำไ ม, ไมเมนีน่ยนอนคามประจิกคุณของมันมันประจิจคุณอยู่จต่ไหนจะไรมาเราทำไมไปชอบไปคิตไปคิ ด, ไ ป, คดไปปรุงว่ามันเสืออย่างนั้นมันงามอย่างนี้อยากดูอยากเกาะมันจะเริ่มขึ้นจากอะไรถ้าฉันที่มันจะเริ่มขึ้นมาจะเริ่มขึ้นมาจากปลาอาหารต่างๆ อยู่ในถ้วยในจานอาหารานั้นๆตนนีน้กินนะกินนะดมแต่ค่อยๆมาปากทถวนั้นเกี่งเขากันกับน้ำลายทายออกมาเป็นอย่างไรกินอีกได้ไหมนั้นตกกระโปแล้วเพีงเทในปากยิ่งไปตกถูกกับพ่าะอาหารถูกท้องใส่ทองเรา่ายออกมาเป็นอย่างไร จะถ่ายที่ไหนก็นเมื่อแรงวันมันยื่นวุดมันน่ามันเหน็นมันจริงเป็นอย่างนั้นตัวของตัวเองจะไมช่ชอบถ้าถ้านที่ออกจากตัวไปจิตถ่าจิต <c oughs> อาสนะที่นั่งที่นอนต้องสักต้องล้างเพราะเหตุไรเพราะมันโสกะปกของโสกโสกไม่ใส่สองสะอาด ก, กายอันนี้ถ้าหากจิด ทีนี้พิจายนาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันในตัวขงอวงเรานี้ในมีอะไรสวยสดต้องงามให้ในมีอะไรน่าจีบหน้าชมในมีอะไรที่รังอย่างยืมพิจายนาให้สิตเห็นให้จิตเป็นอย่างนั้นเข้าใจกันอย่างจริงจังแล้วคนอื่นสัตว์อื่นในอดีตผ่านมาจะกี่แสนกี่ล้านปี จะเป็นอย่างนี้อนาคตคนเขาจัไม่เกิดจะทันงนนังยเยาะัันคนอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านไปอนาคตังไม่มาถึงมันเป็นเหมือนกันหมดเราจะไปสงสัยอะไรที่ไหนมันเสือสศษงดงานมันไม่มีที่ไหนมันยังอย่างยืนมันไม่มีใส่ใจตามความเป็นจริงของถาทของขันใจมันก่อขอบก่อถอนควา ม, วามยึดมัน่น สำคัญหมายว่าหญิงด่าชายว่าสวยว่างามราชาตั้งหานั่นเป็นโลกละไปจะไปกำหนดหนักยินดีอะไรแต่ของเหน่ขาของเน้นของสติปัญญอย่างนั้นนี่อุบายวิธีเมืม่อจิตมีสมาธิต้องทิ่นิ้ที่จะมนะาธาตุขันให้เข้าใจในธาตุในขันแก่มแจ้งชัดเจนแล้วการละเกี่ยงความยึดมั่น สำคัญหมายว่าหญิงว่าชายว่าสัตว่าบุคคลนั้นความหนัดยืนดีจะเคยมีมาก่อนมันจะประจักษ์ในจิตในใจเมื่อมันยังไม่ขาดเมื่อใดกต่พิจารณาเรื่อยไปจนมันหากไม่มีทางสงสัยแต่เราจะรักให้จะยินดียินย่อยอีกหรือไม่เมื่อเห็นลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้คือเรา เคยชอบเคจิตมา ก, ก่อนเราจะต้องทดสอบที่นี้พิจารณาในตัวของตัวคู่พิจารณาเรื่องจะตัดทรราคานี้เมือม่อจิตสงบเมื่อจิตละเอียดเข้าไปดางที่อาจสชิงใสนะราคามันดับไปหมดไปถ้ามันยังสชิงใสอยู่มันยังมีอยู่มันจึงสชิงใส มันยังไม่เห็นชัดเจนในใจมันจึงสงสัยถ้ามันเห็นชัดเจนในใจมันใส่ใจจริงจังมันจะยังมีสงสัยจะสงสัยอะไรเพราเห็นเพรเป็นในจิ่นในใจจริงจังโดยตัวของตัวเองมันยังมีทางสงสัยแต่มันยังมีสงสัยอยู่ก่อนพิารณาด้วยไปทดสอบด้วยไปเมื่อมันแสดงอากาศจินญาอย่างไรเกิดขึ้นจะรู้อยู่ จับสิ่งเหล่านั้นมาทิ่นี้ทีแนะ่แจนะแต่มันยังอยู่มันมีอยู่มันจิ้มกระจิกที่แทงอย่างนี้มีการทดสอบการที่นี้ทนะี่แจนะเผื่อละเผือถอนจะไปตายใจอะถ้าสงบลงไปละเอียดลงไปนิดนิดหน่อยห่อแต่ละหมดอย่างเกี่ยดปัญหาหมดมันลุกขึ้นมาที่หลังแหละจะไม่มีกําลังต่อสู้ เสือมันหลักแต่เขาจะหลัเสือมันตายพอมันลุกขึ้นมามันกัดมันเป็นอย่างนั้นเหรือนที่เลกกัณหาของจิตขอ ง, งใจถ้าข่ามันตายจริงๆเสือตัวนั้นนหละเสือมันก็มีแบบมันก็มีแต่มันทําอะไรเราอีกไม่ได้เพราะมันตายแล้วสุดที่ทีนี่ทุเจนาภาวนาละแข็งจิตใจ ท่านจะทดสอบไปทุกสิ่งทุกอย่างในเหนือสัญญาณไหมหมดความเช่สัยสัญญาณเชื่อสัยอยู่ท่านทดสอบไปเห็นแต่ก่อนที่เรายังรักษาด้านจิตใจเรายังแล่าวังกลัวมันจะไปจิดไปข้องไม่อยากดูอยากเห็น เราอยากคิดอยากปรุงเพราะมันจะไปขัดไปผิดถ้าหยุดละเอียดเข่าใจเข้าใจว่ามันหมดเราจะต้องคิดที่ไหนมันด่าสุภาะอสุพันมันจะไปต่อตัง้งชุมใหม่ด่าเป็นสุภาพะคือความเสื่อมงามอย่า ง, งนั้นอย่าง น, นี้น่ะการหนัดหน้ายยิดนดีจะทดสอบจิตใจของตัวเองมันจะเล้งไหลใส่ฝันหรือไมทดสอบด้วยใช่หยุดไหนที่มันถือว่า มันเวือยมันจะเอารูนั้นน่ะนะตั้มมาปรุงขึ้นเพื่อจะให้อย่างทั้งจิตมันคิดมันปรุงไปในทางราคาตัณหาและแต่สติคือดูอยู่ดูอยูย่จะต้องหูคอรสังเกตว่ามันจะกระดิกชี้แทงอย่างไ ร, รอย่างจิตทั้งตัวนามันม น, ม น, ม น, มนั้นนะหลอกนามันนี่นะทดสอ จนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางที่จะหลงไหลไดอีกมันเกลียดจะละมันสาบมันใส่ใจจริงจังแ่ะจะมาทําอย่างไรนันก็ไม่มีอะไรที่จะกระดิกคี้ยวแทงให้ความละความแถมที่เหลือมีอย่างไรมันคงเส้นคงว่าทุกรดหว่ละละละางนี่คือการภาวนาการทำนึะใจจะ การทำเด้วอยไปที่เจนาเรื่อยไปในเหนือมันมีเหตดที่จะที่เจนาอยู่จนจิตของเราคือเคยว่าสงบคือเคลวาทัดถอนอันนั้นอันนี้สงบสะดวกสบายดีแต่มันก็ยังมีสิ่งที่จะที่เจนาเมื่อมันหมดเรื่องของมันจริงจังมันจะรู้อีกเหมือนกัน จะพิจารณาไปเพือ่ออะไรในพิจารณาอะไรจะเสียหายอะไรจะเสื่อมนั่นไม่มีอะไรที่จะสงสัยถ้านั้นหมดถึงมีดมดจริงจังแล้วมืดมิดเขาไปถึงตอนนั้นไม่ต้องบอกกันไม่ต้องสอนกันพอถึงขั้นที่จะทราบจากตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะละจะบันเทิงอีก อยู่หรือตายอย่มีการเสียใจถ้ามัมีอะไรเสีย ห, า ย, หายนี่คืออนิสงค์คุณค่ า, ก า, า, าการภาวนาการฝึกจิตแต่นั้นขอทุกท่านอย่า ม, ม, มึนหม่นนะประเุกปฏิบัติเรืร่องต่างหน้าต่างต า, งตาที่นี่ทุเกนะกำหนดรักษาจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือวไสัาหาเราเอาใจใส่ ตั้งใจประพฤติประดิษฐ์ในอย่างนั้นจะไม่เคยคุณมค่าอะไรให้ <c oughs> จะเยียใจภายหลัง <c oughs> ตายไปแล้วอันนั้นยังไม่ละอันนั้นยังไม่ได้ดําเพ็ญจะโทษ ต, ตัวเองแต่เวลา ย, ยังมีลมหายใจอยู่พอทำได้ประมาทเมินเฉยในเรื่องอ เ, เกีเก่ยวกับเรื่องทําเรื่องชำระอะไรแต่พอจะตาย เขามาเดนภาวนาได้เดินจนกว่าไม่ได้ขาดคำในให้จิตใจวุ่นวายมันไปแบบนั้นถ้าหากมุ่งจะทาการเคียงจังมันมีโอกาสเวลาพอทีจะเห็นจดจเดียวกันทั้งนั้นใช้แสวงหาทัทานอกมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องขงเขาตายตามถนนทางใจในน้ ในอากาศมีหน้านะีย่เสียสละดชีวิตแสวงหาในเยยธรรมดาดื่ดืดด่มเพื่อนเพื่อนก็ใช่ได้ยินเสียงรถอีเถนนคนทาเหรอตายกันเสื่ออะไรตาเสื่อหาเงินหาทองมาบนลุงตากท้องั้งเข่าเราทายแล้วนะอยู่นี่กะจีหารอยู่ในมุ่ง ไหนนี่เหยียดนีย้นนีอะไรนะละูกวนทําไมเนี่ยเอาใจใส่ในตังใจจริงจังเห็นแก่จะละแ ก, ก่อนอนแอก่เรียมแก่เช่นวิเลตมันถึงไม่กลัวาตั้งตั้งใจเกี่ยงจสร้างรกันยืิงจังล่ะทุกคนมีหวังในเรื่องอาจเรื่องทํานี่ตั้งตั้งใจสองตัวของตัวอย่างนั้น มื่งอยากจะสจะ็บจากทุกข์จะมีความสุขทางใจอย่างมหาศาลหรือจะให้ชีวิตปัญหามีหลังนั่งคอยอยู่เรื่อยไปเห็นอะไรต่อชอบได้ยินอะไรก็อจิตคิดอะไรก็ยุ่งแบบนั้นหลืถ้าแบบนั้นต่อพระพุทธเจ้าเช่่อไม่ได้ธรรมะเช่วยไม่ได้าาไไดอาศัยสูนไฟแถวนั้นแหละจะเชื่อจนแบบนั้น ยังอยู่กับเผาใไฟราคาไฟกัญหาตายไปกัใไฟคืนใปถานเขาอีกมันร้อนทั้งเ ห, ห, ห, หนือยเวลาเป็นร้อนทั้งเหนือเวลาตายหาความสุขความสบายในดั่งเพราะหนมีอาบมีทําหนมีใจสงบในจิตในใจนั่นไหนมีคุณค่าะไรตัวของตัวเองก็งต้องมีตัวของตัวหลังมันเฉ่อมันเสีย มันเดือดร้อนมุ่นหายคนอื่นผูวพิจารณาดูเข้าจะตั้งมีอีกแต่เราสชำระตัวของเราให้หมดสุดบริสุทธ์แล้วคนอื่นเขาจะตั้งมีกันเธอโลกตั้งมีไปเธอความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างไรไม่มีการหลั่นไหลไม่มีการเดือดร้อนนี่คือการถึกจิตอารมณ์ใจให้เราถึงการสงบสุข มันมีคุณค่าอานิสงส์ดังนี้ฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะเสียที่บายไปนี้แต่ที่นี้ที่ใจนะเหนือเห็นว่าเป็นทางเพื่อจะไปสู่ความสงบสุขได้จะลงมือแต่เพื่อกฏิบัติตามการที่บายธรรมะจึงแบบพอสมควรกี่ยวกับเวลาและยุติเพียงแค่นี้เอง